และจัดการปัญหาต่างๆภายนอกไม่ว่าของบุคคลหรือของสังคมอย่างได้ผลดีเต็มบริบูรณ์แห่งความสามารถของเขาว่าโดยหลักวิชาที่กล่าวมานี้คือความหมายของนิโรธที่แปลกันมาว่าความรับทุกข์ซึ่งจะต้องเข้าใจลึกลงไปให้ถูกต้องว่าเป็นการทำให้ไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับหรือทำให้เกิดภาวะไร้ทุกข์ ไม่ใช่เป็นเพียงการกําจัดทุกที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนี้รับกันกับบันทึกที่5ของบทที่4ีว่าด้วยปัญหาการแปลคำว่านิโรธซึ่งแสดงให้เห็นว่าความหมายของนิโรธตามที่ว่าในคมภีแต่เดิมคือการไม่มีความทุกเกิดขึ้นไม่ใช่ดับทุกที่เกิดขึ้นแล้ว บทที่สิ